แนะนำบทซอทบทซอทเป็นมักกียะมี 88 องก์การบทนี้เริ่มด้วยการกล่าวสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นปาฏิหาริย์ที่ได้ถูกประทานให้แก่ท่านนบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นที่ครอบคลุมถึงข้อตักเตือนที่มีความหมายลึกซึ้งข่าวคราวประหลาดที่ว่าอัลกุรอานนั้นเป็นความจริง ลามุฮัมมัดนั้นเป็นศาสดาที่ถูกส่งมาบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องความเป็นเอกภาพการปฏิเสธของพวกมุชริกีนต่อการให้ความเป็นเอกภาพแก่อัลเลาะห์และความประหลาดใจอย่างมากของพวกเขาต่อการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่การให้ความเป็นเอกภาพต่ออัลเลาะห์ บทได้เปลี่ยนเรื่องมากล่าวถึงพวกปฏิเสธชาวมักกาด้วยการยกตัวอย่างของชนรุ่นก่อนพวกเขาที่มีสภาพเช่นเดียวกันคือเป็นผู้ฝ่าฝืนหญิงพยองด้วยการปฏิเสธและงมงายอยู่ในทางหลงผิดและการที่ชนเหล่านั้นได้รับการลงโทษอย่างสาสมมาแล้วเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและอุทาหรณ์ เนื่องจากการทำความชั่วและการประกอบอาชญากรรมของพวกเขาต่อมาบทได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดาศาสนทูตบางท่านเช่นได้กล่าวถึงเรื่องของดาบีดาวูดซุลัยมานไอยูบอิสฮากยาคูบอิสมาเอลและซุลกิฟเป็นต้นบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งอานุภาพและกิภาพของอัลเลาะห์ในจักรวาลซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา และสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลซึ่งถูกประดิษฐ์ไว้อย่างสวยงามทั้งนี้เพื่อการเตือนให้ตระหนักว่าจักรวาลนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ไร้ประโยชน์และแน่นอนย่อมจะมีโลกที่ 2 เพื่อตอบแทนผู้กระทำความดีและผู้ทำความชั่วบทนี้ได้จมลงด้วยการชี้แจงหน้าที่ของท่านศาสนทูตและหน้าที่หลักของท่านนั้นคือหน้าที่ในการเผยแพร่และชี้นํามนุษย์ไปสู่ทางหนทางที่ถูกต้อง บทนี้ได้ถูกขนานนามว่าบทซอดซึ่งเป็นพยัญชนะหนึ่งในบรรดาพยัญชนะของภาษาอาหรับเพื่อเป็นการสรดุดีต่อคัมภีร์ที่เป็นปาฏิหาริย์ซึ่งอัลเลาะห์ทรงท้าทายมนุษย์ในยุคแรกๆและยุคหลังๆด้วยพยัญชนะเหล่านี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอซอดวัลกุรอานบิดซิกร์ซอดขอสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นเครื่องเตือนสติบัลลัดีนกะฟะรูฟีอิซซะติฮีวะชิกาคาทัดะวะบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่ในการหยิ่งผยองและการแตกแยก ਕੰ ਅਹਲਕਨਾ ਮਿੰ ਕਬਲਹਿਮ ਮਿੰ ਕਰਨ ਅਨਾ ਦਵਰਾ ਤਹੀਨ ਮਨਾਸ ਕੀ ਸਤਵਤ ਮਾ ਲਾਓ ਥੀ ਰਾਓ ਦੇ ਤਮਲਾਈ ਪ੍ਰਾਚਾਚਾਤ ਕੋਰ ਫੋਕਾ ਲਾਓ ਫੋਕਾ ਦੇ ਰੌਂਗ ਰੀਅਨ ਖੋ ਕਵਮ ਚੇ ਲੀਆ ਥੰਗ ਥੰਗ ਥੀ ਮੀ ਮੀ ਵੇਲਾ ਇਕ ਸਮਰਕ ਥਾਗ ਰੋਦ ਵ ਅਜੀਬੁ ਅਲ ਜਾ قال الكافرون هذا ساحر كذاب لقد قررعت جاي ที่มีผู้ตักเตือนที่มาจากหมู่พวกเขามายังพวกเขาและพวกปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวว่านี่คือนักมายาคนและนักโกหกตัวชะกา อجعل الالهه الى واحدا ان هذا لا شيء عجاب เขาได้ทําให้พระเจ้าหลายองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวขณะนั้นหรือ แท้จริงนี่เป็นเครื่องประหลาดจริงๆ وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَلْامْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ละพวกหัวหน้าของพวกเขาผ่ากันออกไปพลางกล่าวว่าจงก้าวหน้าต่อไปและอดทนในการยึดมั่นต่อบรรดาพระเจ้าของพวกเจ้าต่อ ถ้าจริงนี่เป็นเรื่องที่ถูกวางแผนไว้แล้วเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนในศาสนาสุดท้ายนี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเท่านั้น ออนซิลอะลัยฮิอัซกุรมินบัยนินาบัลลัมฟีชักก์มินอัซกุรบัลลัมมายะดูกุอะซาบไดมีข้อตักเตือนคืออัลกุรอานถูกประทานลงมาแก่เขาแทนพวกเรากระนั้นรึหามิได้พวกเขาอยู่ในการสงสัยจากข้อตักเตือนของข้า <sous -urry> <Amerika> ไม่เพียงแต่เท่านั้นพวกเขายังไม่ได้ลิ้มรสขาลงโทษของข้าอันณด้งขะซาอีนระห์มะติร็อบบิกัลอะซีซิลวะฮาบหรือว่าที่พวกเขามีขุมคลังแห่งความเมตตาของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงประทานให้อย่างมากมายอัมละฮุม الْكُسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَذْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ رُوَاعَ أَمْنَةِ الْبَدَاءِ شَنَّ فَاءَ وَفَنِي وَالَّذِي فِي بَيْنِهِمَا كُلُّهُ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيَذْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ณอะห์ซาบพวกเขาเป็นไพร่พลจากแนวร่วมต่างๆจะพ่ายแพ้ไปไหนไม่ช้าก่อนหน้าพวกเขากลุ่มชนของนูห์และอาดและฟิรเอาเจ้าของเสาได้เคยปฏิเสธมาแล้ว و ثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولائك الاحزاب لا ثمود لا กลุ่มชนของลูตและชาวป่าทั้งชนเหล่านี้ก็เป็นแนวร่วม ان كل من الا كذب الرسل فحقت عقاب ไม่มีคนหนึ่งคนใดในพวกเขาเว้นแต่ปฏิเสธบรรดาศาสนทูต ดังนั้นการลงโทษของข้าจึงเหมาะสมแก่พวกเขาและพวกเหล่านั้นไม่ได้คอยสิ่งใดนอกจากเสียงกำปนาทเพียงครั้งเดียวโดยไม่มีการชักช้า وقالوا ربنا عجّل لنا القضاء قبل يوم الحساب لقد قالوا واهพระผู้อภิบาลของเรา ขอทรงโปรดเร่งส่วนของเราให้แก่เราโดยเร็วเถิดก่อนที่จะถึงวันแห่งการชำระสอบสวน اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذي الايد انه ยามูฮัมหมัดจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวและจงรำลึกถึงบ่าวของเราดาวูดผู้ทรงพลังแท้จริงเขาเป็นผู้กลับตัวต่ออัลเลาะห์เสมออินนาซักขัรนาลญิบาลามะอะฮูยุซับบิฮนาบิลอชีวัลอิชรอคแท้จริงเราได้ให้ภูเขาแซ่ซองสลูดีพร้อมกับเขาทั้งในยามพลบค่ําและยามรุ่งอรุ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ أَوَّابًا لَراวได้ทำให้ นกมารวมกันทั้งหมดเพื่อเชื่อฟังเขา وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ลَراวได้ทำให้อาณาจักรของเขาเข้มแข็ง เราได้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เขา การตัดสินที่ขาดในเรื่องต่างๆและเรื่องของผู้โต้เถียงได้มาถึงเจ้ามูฮัมหมัดบ้างไหมเมื่อพวกเขาปีนข้ามกำแพงไปหาที่มิหรอบของดาวิด id dakalu ala daud fa faz'a minhum qalu la takhaf خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط เมื่อพวกเขาได้เข้ามาหาดาวูดเขาตกใจกลัวพวกเขาพวกเขากล่าวว่าอย่าได้กลัวเลย เราคือผู้โต้เถียง คน, คนเราคนเราเรา 2 คนคนหนึ่งในพวกเราได้ล่วงเกินอีกคนหนึ่งดังนั้นได้โปรดตัดสินระหว่างพวกเราด้วยความยุติธรรมและอย่าได้ละเมียงและจงชี้แนะเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรงเถิดอินนะฮะดาอะคีละวะ 90 วะ 90 นะอัจตะวะลียะนะอัจตะวาฮิดะฟะกาล فَقَالَ اكْفِنِي هَا وَعِزْنِي فِي الْخِطَابِ تَاجِينِ نِكُرُ فِي خَايْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْيْي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 وظن داوود ان ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب کہا داوود กล่าวว่าแน่นอนเขาจะทําต่อท่านในการให้นําแก่ของท่านไปรวมกับแก่ของเขาและแท้จริงส่วนมากของผู้มีหุ้นส่วนร่วมกันบางคนในพวกเขามักละเมิดสิทธิของอีกบางคน เว้นแต่บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายและพวกเขาเช่นนี้มีน้อยและระบุตรู้สึกว่าเราได้ทดสอบเขาดังนั้นเขาจึงได้ขออภัยต่อพระผู้เป็นบานของเขาและเขาได้ก้มลงคารวะและทบทวนความผิดด้วยความเสียใจ تنن เราได้ให้อภัยแก่เขาในเรื่องนั้นและแท้จริงสําหรับเขานั้นย่อมอยู่ใกล้ชิดกับเราและมีทางกลับที่ดียิ่งในปรโลกยาจาวจูอินนาญัลลากคอลิฟะตันฟิลอัรฎฟะฮกุมบัยนะนนาสบิลฮักกวะลาตัตบิอิลฮาวาวะลาตัตบิอิลฮาวาฟะยุดิลลุกอนซะบิลิลลาฮ ਰ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب او داوودเอ๋ย เราได้แต่งตั้งเจ้าให้เป็นตัวแทนในแผ่นดินนี้ดังนั้นเจ้าจงตัดสินคดีต่างๆระหว่างมนุษย์ด้วยความยุติธรรมและอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำมันจะทำให้เจ้าหลงไปจากทางของอัลลอฮ์ แท้จริงบรรดาผู้ที่หลงไปจากทางของอัลเลาะห์นั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างสาหัสเนื่องด้วยพวกเขาลืมวันแห่งการชำระสอบสวนคือวันกิยามะห์วะนาคอละกุลซะมาอ์วัลอัฎวะวะมาบัยนะฮูมาบาฏิละซาลิกะฎ็อนนุลละซีนกะฟะรูฟะวัยลุลลิลละซีนกะฟะรูมินนั เราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นโดยไร้สาระนั่นคือการนึกคิดของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนั้นความหายนะจากฝ่ายนรกจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาท่านอัมนะญอัลลซีนอามานูวะอามิลุสซอลิฮาตกัลมุฟซิดีนฟิลอัรฎอัมนะญอัลมุตตะกีนกัลฟุจาอ์ใช่เราปฏิบัติตอบบรรดาผู้ศรัทธาและทำความดี เช่นบรรดาผู้บ่อนทําลายในแผ่นดิน เพื่อพวกเขาจะได้พินิจพิจารณาองค์การต่างๆของอัลกุรอานและเพื่อผู้มีสติปัญญาจะได้ใคร่ครวญวะวะฮับลิดาวูดซุลัยมานะนิมัลอับดุอินนะฮูอาวาบเราได้ประธานบุตรคือซุลัยมานซึ่งเป็นบ่าวผู้ประเสริฐแก่ดาวูดแท้จริงข้อหน้ามาสู่เราเสมอ اذ عرض عليه بالعشي الصاتنات الجياد لاจองรำลึกถึงเมื่อม้าพันธุ์ดีถูกนำมาเสนอแก่เขาในเย็นวันหนึ่ง فقالا انني احبذت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب เขากล่าวว่าแท้จริงฉันรักทรัพย์สมบัติหมายถึงม้าตัวนี้จนมันทำให้ฉันลืมรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของฉัน จงกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า รดوها علي فتفق مسحا بالسوق والاعناق จงนํามันกลับมาให้ฉันแล้วเค้าก็เริ่มลูบขาและคอของมัน ولقد فت الناس سليمان ولقينا على كرسي جسدا ثم اناب เราดูแน่นอนเราได้ทดสอบซุไลมานและเราได้วางร่างหนึ่งไว้บนเก้าอี้ของเขาแล้วเขาก็ทบทวนความผิดด้วยความเสียใจกอละร็อบบิอัฆฟิรลีวะฮบลีมุลกัลลายาบะฆีลิอาหะดิมมินบะอดีอินนะกะอันตะลวะฮาบเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ฉันด้วยขอพระองค์ทรงประทานอำนาจอันกว้างขวางให้แก่ฉันซึ่งไม่คู่ควรแก่ผู้ใดนอกจากฉันถ้าจริงพระองค์ท่านเท่านั้นเป็นผู้ทรงประทานให้อย่างมากมายและเราได้ทําให้ลมพัดเฉียดเฉื่อยตามบัญชาของเขาไปอย่างทิศทางที่เขาต้องการ وَالشَّيَاطِينُ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ لَأَرْوَدَ تَمْ حَيْ بَنْدَا شَيْطَان يُتْ تَايْ คําสั่งของเขาพวกนั้น هذا عطاءنا فمن او امسك بغير حساب นี่คือการประทานให้ของเราแก่สุไลมานดังนั้นเจ้าจะให้แก่ใครก็ได้หรือจะยับยั้งไม่ใครก็ได้โดยเจ้าจะไม่ถูกสอบสวน واِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مَآبٍ ละแท้จริงสำหรับเขานั้นย่อมอยู่ใกล้ชิดกับเรา และมีทางกลับที่ดียิ่งในปรโลกแล วاذกุร อะกิดะนาอัยยูบอินาดร็อบบะฮูอันนีมัสซะนิ อัช-ชัยฏอนุ บินัศบิวะอะซาบละจงรำลึกถึงบ่าวของเราอัยยูบเมื่อเขาวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเขาโดยกล่าวว่าชัยฏอนมารร้ายได้ทําให้ฉันได้รับความเหลือยากและทุกข์ทรมาน اور قَدْ مَرِجَ لَكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ چونกระทืบแผ่นดินด้วยเท้าของเจ้า นี่คือน้ำเย็นสำหรับชำระล้างและสำหรับดื่ม وَوَهَبْنَا لَهُمْ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ แล้วเราได้ประทานครอบครัวของเขาให้แก่เขา และเช่นเดียวกับพวกเขาพร้อมด้วยพวกเขาเป็นความเมตตาจากเราและเป็นข้อเตือนสติแด่ผู้มีสติทั้งหลายว่าขุธบิยติกะตักซะตักริบบีวะลาทะนะอินวะจะดนาฮูซอบิรอนิมะลอับดุอินนะฮูอาวาบและจงเอาเศษไม้ศักรรมหนึ่งฟาดลงไปและอย่าถอนคำสาบาน แท้จริงเราพบว่าเขาอายุเป็นผู้อดทนเป็นบ่าวผู้ประเสริฐแท้จริงเขาหันหน้ามาสู่เราเสมอวะซกุรอิบาดะนาอิบรอฮีมวะอิสฮากวะยาอ์กูบอุลลิลไอดีวัลอับซารและจงรำลึกถึงปวงบ่าวของเราอิบรอฮีมอิสฮากและยากูบผู้ที่เข้มแข็งและสายตากว้างไกล เราได้เรื่องศาสนาอินนา اخلسناهم بخالصه ذكر الدار وان من دنى لنا من المصطفين الاخيار เราได้เลือกพวกเขาไว้โดยเฉพาะเพื่อเตือนให้ระลึกถึงปรโลกและแท้จริงในศาสนาของเรานั้นพวกเขาอยู่ในหมู่คนดีที่ได้รับเลือกอย่างแน่นอน واذكر اسماعيل واليسع وذلك الكفن وكل من الاخيار لا تجرمذكرถึงอิสมาเอล وอัลยสา والسلكفي ولاทุกคนอยู่ในหมู่คนดี هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب นี่คือข้อเตือนและแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นแน่นอน ทางกลับของพวกเขาย่อมดีแท้จันนะตินติอะดีนมุฟัตตะฮะลละฮุมุลอบวาบคือสวนสวรรค์อันสถาพรประตูทุกบานจะเปิดอ้าไว้สําหรับพวกเขามุตตะกีนฟีฮายะดออูนฟีฮาบิฟาคิฮะตินกะซีเราะตินวะชะรอบพวกเขาจะนอนเอกเขนกอยู่ในสวนสวรรค์ พวกเขาจะเรียกเอาผลไม้และเครื่องดื่มนานาชนิดและณองค์พวกเขามีหญิงบริสุทธิ์ผู้ลดสายตาลงต่ำมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนี่คือสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้สําหรับวันแห่งการชําระสอบสวน إن هذا لرزقنا ما له من نفاد تاจริงนี่คือปัจจัยยังชีพของเราแน่นอน มันจะไม่มีวันหมดสิ้น هذا وإن للطاغين لشر مآب ดังนั้นและแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ละเมิดนั้นแน่นอนทางกลับของพวกเขาย่อมเลวร้าย جهنم ما يصلونها فبئس ملها ذلك ก็คือนรกยานน่ะโดยพวกเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในนั้นดังนั้นมันจึงเป็นที่พำนักอันชั่วชายิ่ง هذا الذي ذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواجا นี่คือการลงโทษอันเจ็บแสบ ดนํากพวกเจ้าจงลิ้มรสมันคือน้ําเดือดพล่านและน้ําเลือดน้ําหนองของชาวละรบและการลงโทษชนิดอื่นอีกเยี่ยงการลงโทษดังกล่าวที่เท่าเทียมคู่ควรกันนี่คือฝูงชนที่วิ่งโกรไปพร้อมกับพวกเจ้า ไม่มีการต้อนรับพวกเขาหรอกแท้จริงพวกเขาวิ่งเข้าไปอยู่ในฝ่ายนรกกาลูบัลอัลตุมลามัรฮะบาบิคุมอันตุมกัดดัมตุมูลานาฟะบิอิซัลกอรอพวกเขากล่าวว่าแต่ว่าพวกเจ้าทั้งหากไม่มีการต้อนรับพวกเจ้าพระพวกเจ้าได้เตรียมตัวไว้สําหรับเราดังนั้นมันจึงเป็นที่พักอันชั่วชา